ปัวเดียนปากน้ำโพเเวลาก่อนตายไม่เคยทำบุญเลยมีแต่จุดกระดาษเงินกระดาษทองเพราะเขาเป็นจีนแต่นี้พอสลบไปใช่ไหมสดสลบเมื่อตอนบ่ายพอสลบไปแล้วหยบ ม, มาทูดหอบลักแร้ไปเลยเป็นงันไงจีบเกาะลักแร้ไปเลยจะพยายาม หนีเขาเทลายมันกันนี้ไม่ออกโอ้เหมือนกับเราในะเป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเลยเขาจับแล้แน่นมากเลยเงั้ยมิเตเล็กให้ให้คนช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเัอะเห็นคนผ่านมาที่รู้จักกันเขาก็ไม่ได้ยินเหมือนันเพราะว่าผีเรียกในชะ่ไหมจะได้ยินยังไงไม่ได้ยินเขาก็เดินช่วยออกมาโอ้หมดหวังแล้วงั้นเขาก็ไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปพาไป พอไปพ้นคนอ้าเดินมันรเมื่อ็คยจับนักโทษไปเท่านั้นเลยถึงยังไงกันหนีเขาไม่พ้นแล้วเขาก็ให้เดินบัตรเขาไม่ล็อกนักแร้อย่างเก่าไม่ล็อกแขนอย่างเก่าแตะกอนสองคนล็อกแขนเท่งนั้นเลยพอไปถึงศาลาหลังหนึ่งบากใหญ่ดยนมีสนามหญ้าเต็มไปหมดมีสนามหญ้าแล้วก็มีคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นจมย่อมกวเดเยนนเลยก็ หิวข้าวแท้เลยหิวข้าวหิวน้ําพอเขามาอาอยู่ที่นี่ก่อนนะก่อนจะได้ยินเสียงประกาศหาชื่อนั่นก็ยไปนะสลาหลังนั้นแหละสลายย ม, มทูตเหมงั้นเถอะที่ตัดสินใครทําบาปทํากรร ม, มเหมือนนแต่ที่ก็ไปถึงสนามตะแก่หิวข้าวเหลือเกินเลก็เดินโตเตะไปเดอมจะไม่มีใครรู้อยู่เพราแถวนี้เหมือนกนพอไปไปเห็น โยมปากน้ำโพคนหนึ่งที่ตายไปก่อนหน้านี้ตัวเองก็ได้ไปเผาศพเขาอยาอาทิตย์ที่แล้วเองโยมอุปถารวัดทายกวัดพอตายแล้วก็นั่งวงล้อมมีโต๊ะวงล้อมอาหารโต๊ะกลมเหมือนกันต้วก็นั่งคุยกันทั้งมีต่างอาหารหวานข้าวครบแต่แก่ก็เลยเข้าไปโอ้จัดวัดดีเขาก็เงี้ยยกมือไหว้เขาเสร็จเรียบร้อยเลยก ทำความรู้จัก อ, อ๋อกูเดินมาแล้วเนี่ยใช่เพิ่งมาบ้านเอก็เลยคิดวตัวเองเนี่ยตายแน่ๆแล้ ว, วะเพราะคนนั้นนะทายกเนี่ยเราก็ไปเผาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเนี่ยเราก็มาเจอเขาอย่างนี้เราตายแน่ๆและเหงื่อกันแต่จะทํำยังไงได้ก็มันหิวข้าวเนี่ยก็รองโอ้ก็พอทําความรู้จักกันแล้วก็บอกว่าแบบให้อ้วกจิงไรไหมอ่ะอ้วกหิวอาหารหมกักทางคนนั้นบอกโอ้ มาอยู่เมืองผีอลไรอย่างนี้มันขอกันกินไม่ได้เด้ไม่เหมือนเมืองมนุษย์นะของใครของเราของใครของเราถ้าเมืองผ ainsi, ี vad? อย่างเนี้ยก็ไม่ว่าแต่จะกินก็กินได้เอาเลยนี่าอาหารต้องการ i, อะไรกินเลยกัวเดียนต้องกินอะไรกินได้เลยแต่เนี่ยแต่แกจะกไปจับน้ําก่อนแล้วไงไปจับน้ำโป๊ะโป๊ะมันเหมือนกับจับถ่านไฟอย่างเงี้ยคลิปวางนั่นเอมันร้อนเหมือนกันเลแต่ที่ก็ไปจับอาหารไปจับอาหารก็ร้อนอีกวางอีก กินไม่ได้แล้วไงโอ้กินมาได้แล้วมันลอนะ็อกมันทางคนนั่นก็บอกเนี่ยของคุณน่ะนู่นไปดูที่อั น, นีนสูงของคุณที่คุณทําำกูเดียงเลยไปไปโอ้มีตะกะันกระดักเงินกระดักทองกินมาลายแล้วนี่ว่าไะก็เลยไม่ได้กินเหมือนกันเลยพอได้กินมาแล้วก็มานั่งซบเซาหิวอาหารเจากนั้นไม่นานยก ม, มาทูดเขาก็ะเรียกไปซาลาย นายโกเดียนนามสกุลนั้นขึ้นมาแต่เนี่ก็ดพวกนี้ก็ปุ๊บปั๊ บ, บนำไปเลยงั้นแหละสองคนน่้นําขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วก็โอ้โหไปเห็นแล้วพยายมาโทษพยาโยงพบานเนี่ยมองนอกมองหน้าไปไมันกลัวอลไรแบั้นเละมองหน้าไปนะหน้ากลัวมากเลยเข้าไปแล้วก็มาก้มหน้าเลยเหมือนกันนักโทษเห็นเออเห็นพิพ า, ากษาอย่างนั้นแหละ เห็นพภาคานานสารก้มหน้าอ่านแล้ก็เปิดบัญชีนะชื่อวา่าไงเสนอ ว, วันไหนกลัวเตียนนามสกุลฮนะหยบประตูมันจับคนมาผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั่นนี่มันอีกคนนึ่งเนี่ะอันนี้ไม่ใช่นั่นนะี่ฮะไปเอาไปเท่านี้กลับทรงมันไม่ถูกยังไม่ถึงเวลาของเขาไป ทหารสองคนก็ได้แขนเด็วิ่งเลยเหมืนันเลวิ่งมาหามหาซาตศพเหมือนกันเลพอมาอิลุงตุงนงังอิลุงตุงนังมาแต่แกมาเห็นกลางทุ่งนามีทะเลทรายเมื่อทะเลทรายนะเป็นท้องนาแต่ทะเลทรายมีควายตัวหนึ่งมันนอนตายอยู่ในในทะเลทรายนะเห็นแต่ชี้โค้งของมันวลเลงแล้วก็หนังหนังรองพื้นหนังควายข้างล่างไม่เน่า แต่ข้างบนหนึ่งมีชีคโคงมันมีน้ำอยู่ในในขังอยู่ในชีคโคงควายที่หนังควายข้างล่างแต่ชีคโคงควายมีพ้กนี้ก็ดึงผ่านไปพ่อปานผมหิวน้ำระเกินครับเอ้ยอยากินน้ำแลยครับกินที่ไหนนั่นแล้วเห็นน้ำโค่งควายนะ่ะมันหิวมากผมขอกินนะครับเอ้กินน้ำแล้วไปพอกินเขาผลักหัวเข้าไปพอผลักหัวเข้าไป เงียบเิ็บเลยท่นี่พอเงียบเิ็บท่นี่นู่นล่ะเขาเขาตายตั้งแต่บ่ายบ่ายสองสามโมงเมื่อวานแล้วก็ผ่านมาทั้งคืนอีกจนมาถึงตอนเช้าวันนี้พระฉันยังนั้นเสร็จสวดมัติกาอะไรเสร็จว่างั้นสวดมัติกาอะไรเสร็จพระฉันยางนั้นเสร็จพระก็กลับวัดพอพระกลับวัดท่นี่โกเดียนฟื้นมานี่ยอยู่ในหีบ มันอยู่ในหีบเล็กๆเลยก็เอาผ้าขาวปิดไว้เพราะยังตัวยังอ่อนอยู่เขาก็มีตะมัดแขนกับมัดขาไว้นัในในหีบกลัวผีกลัวผีจะกระโดดไปไล่คนเหมือนนมัดขากับมัดแขนเขาเรียกวัดตราสังเหมือนั้นแต่เนีมัดตาสังมาให้ผีดิ้นเหมือนนแต่แต่แต่แกก็ฟื้นขึ้นมาได้กูอยู่ที่ไหนแล้วทำไมแคบขนาดนี้เหมือนนเนี่จากนั้นก็ใช้ศอกใช้ศอกกระแทกฝาหีบพวกนั้นไอ้กระแทกลงก็ ไอ้พวกขี้เล่าทั้งหลายอพอพระไปแล้วก็เลี้ยงเล่ากันแล้วบ่านนี้พอเล่ากันมาเสียงกึกๆึเท่านั้นแหละขี้เล่าเสียงอะไรบ้าเสียงกึกกึกกึอีกอา้าวกัวเดียนเฮียนแล้วบาดเนยต่างตัวต่างขี้เล่าทั้งหลาก็โดดออกจากบ้านไปเร็วเงั้นเถอะเพราะว่ากัวเดียนมันเฮียนเหมือนคณะกลางวันแสกแสกยัมาหลอกกันได้เว้ยงั้นเถอะยังเคาะลงใส่กันอีกต่างหากเลย ต่างคนก็ต่างแผ่นแแบบโรงงานแต่ทีนคนก็แตกนี้กเอ๊ะมันเป็นยังไงทําไมมันมันเสียงดังอย่างงั้นวะเสียงดังครอบเป็นระยะระยะเนละแต่เนี้กัพวกแม่บ้านเนะ่ยพวกเมียของกัวเรียนกับคนวัดคนวานะไปวัดนะแล้วก็ทายกวัดกัเอ๊ะไปดูซิพวกเราจะไปโกยอย่างนี้ได้งไงไม่ใช่มันฟื้นเลยเนะยีกเรียนฟื้นแลยนะพอดีก็ กลเดียนก็เป็นหัวหน้าไป่หมือนนเลไปสองถ้าตั้งกลัวด้วยเพราะมันมันเสียงดังดังเป็นระยะระยะเหมือนกันเลยตอนนี้กลัวเดียนจะไปพวกนี้ก็อยากไปด้วยไปปุ้นก็จับเอวกันเหมือนกันเองูกินหางยังไงก็อย่างงั้นเลยเกาะเอวกันไว้ต่อหนึ่งไม่ให้วิ่งหนีกันได้เหมือนกันเลยเหมือนกับงูกินหางตอนนี้ท้ายยกไปกับเปิดบุ่นพอเปิดดูเท่านั้นแหละกลัวเดียนอ้าปากเอ้ยเอ้ย มันมันมันหิวน้ำหิวน้ําแล้วก็สานกันหนึ่งมันมันหิวแล้วมันตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนบ่ายกลางคืนเด็กจนถึงตอนเช้าอีกตอนเช้าประมาณสามสี่โมงพระฉันจะงหาเสียกว่าจะสวดอะไรกัวอะไรพากลับไปเลยแล้วก็บอกปังง่าปังง่าก็ว่าโอ้คืนแล้วจากนั้นก็พอพากันยกขึ้นมาก็เลยตัดเครื่องพันธนาการตายสังออกว่างั้นเลย ตาสังที่มัดขามัดข้อขากับข้อแขนมัดเอาออกพอเขาออกเสร็จเรียบร้อยแลย้วก็เขาก็เลยพวกหนึ่งกั็วิ่งไปหาน้ํามาน้ําต้ม อ, อุนอ่นๆมาก็ใส่สำํำลียอดเข้าในปากหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปยอดเข้าในปากมันอาปากไมได้นะมันเหนืยพอหยอดเข้าไปจักพักหนึ่งพอน้ําถึงคอเนั้นแต่แกว่านะพอน้ําไหลถึงคอทนั้นนะลืมตา <c oughs> ลืมตาโพงเลยเหมือนกนเลย พอเลื่อมตาขึ้นมาไม่ถ้าห้าปากก็เลยจับลุกขึ้นมาจากนั้นพวกไปต้มข้าวก็ต้มข้าวต้มข้าวต้มอนะต้มโจกออกมาจากนั้นเขาจะเอาน้ําหยดเข้าไปเรื่อยจากนั้นเอาน้ำํำมากินพอน้ําตกไปในกระเพาะเนี่ยตกเข้าไปตกเข้าไปบาปงคนยังดีอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจากนั้นก็ให้กินข้าวต้มพอตีนข้าวต้มไปสักพักหนึ่งเนี่ยพูดออกมาทีแรกก็ไม่มีเสียงเลยไม่ถ มันมีตะลมออกมันม่นมีเสียงเหมือนนเอะมันเหนื่อยปากเฝาไม่บมดเหมือนกันเถะผัวในจุดก็เลยถามไปถามมาเป็นไงมันก็เลยบอกโอ้ไปสลบไปเมื่อวานวานี้เหมือนนไปถึงไหนเขาว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีเดียวเลยเหมือ น, นเดี๋ยวให้หายซะก่อนแล้วค่อยพูดให้ฟังเน่ยคอยฟังนะเน่ยดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่พูดให้มันจบให้มาฟังนะเหมือนกันจากนั้นตาแก่ก็เลยฟื้นขึ้นมา สองสามวันเดินได้อะไรได้เเขาก็เลยมาลุงมกันว่าเป็นยังไงที่ตายสรลบไปเกือบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันกว่าๆเกือบยี่สิบสี่ชั่วโม ง, งไปยังไงแต่แกก็เลยเล่าเล่าเราเลองให้ฟังเราแกรู้บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพอตายไปทอนนั้นนลยทหารจมมันทูดมันล็อกแขนทั้งสองข้างสมัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดมันแข็งแรงเหลือเกินเหมน จะบุบตรสะบัดได้ไงสะบัดกล้ำใช่ไหมกล้มตัวเองได้กระทาไว้แล้วเหมือนเป็นตํารวจทหารเลยมันล็อกแขนไว้เลยเั้ือนกันเลยพาไปพอไปถึงนลยถึงสนามหญ้าลานหญ้าเขียวจะอุ่มไปหมดเลยแต่กุกคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเสรุปแล้วก็คือคนพวกนั้นก็คงขึ้นไปคอยฟังคําพิพากษาของยมทยูตตรงกันเถอะจากนั้นแต่แกก็เลยโอ้ไม่เอาละใช่ไหม แต่ก่อนแต่แกก็เป็นผู้รับเหมาคนจีนเนียจีนปากน้กําโพเหมือนกัปากน้ําโพนครสวรรค์อรัวก็รับเหมาด้วยแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงหมูขายเหมือนกันแต่แต่เมียเนี่ยมิธดเข้าวัดเมียคนไทยแม่บ้านเป็นคนไทยพาเข้าวัดแต่พวกลูกล ก, ล ก, ก็มีก็มีฐานะในถิ่นนั่นคำว่าเขามีฐานะคนหนึ่งเหมือนกันแต่ แต่ตรงนั้นน่ยคือเจ้าคุณอุบาลีคุณองประมาจารย์ไปสร้างวัดเลออกจาก ว, วัดบ่อหล่มในวาดแล้วาั้งขึ้นไปสร้างวัดนครสวรรค์จำไม่ก่อนมันล่อ ง, ล, อ ง, ล, องล่องเรือเลยล่องเรือขึ้นไปทางเชียงใหม่ก่อนที่จะขึ้นไปก็ล่องเรือขึ้นไปเรื่อยๆเรือกลนไฟเขาไปถึงที่นั่นกน็ต้องพักที่นั่นก่อนครับพรเจ้าคุณอุบาลีจึงก็กเลยสร้างวัดขึ้นมาก็มีลูกศิษย์อยู่ จากนั้นคนคนครสวรรค์ก็ปากน้ำโพกไปวัดน่นะไปวัดหลวงปู่อุปารีคุณโอปามาจา์ที่เป็นเพื่อนของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนะท่านก็ไปปฏิบัติอยู่แถวนั้นเป็นอบรมแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนจากนั้นน่แหละโยบุปาสิกาแม่บ้านของโกเดียนเนี่ยก็เข้าไปปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ผลที่สุด เนี่ยหละโกเดียนก็เลยโอ้มไม่ลายหรอในพังศาเนี่ยอวเกือบตายแล้วอ้วกจะขอบวกพังศาหนึ่งโกเดีย น, นว่าผลที่ชุวยก็เลยหมูอยู่ในอยู่ในค อ, อกในเล้านะอะเอาจะไงหมูหมูเนี่ยอยู่ในคอกในเล้าอ๋อถ้าหมูอยู่ในค อ, อกในเลาานออนเลาก็ถ้าขายไปเขาก็จะต้องข่ามังอีกอะ่ะเพราะนั้นอ้วกจะปล่อยกลางคืนเหมือน ไปลกลางคืนมันกับจับหมูไปปล่อยเลยวงั้นแต่สุดแท้แต่มึงจะไปได้กรรมของมึง จ, จะไหนจะมันเกิดมาเพ ร, ระกรรมกูบกหากูเาราไม่ฆ่าไม่ขายแต่แกอีกแล้วเนี่แต่แกก็เลยปล่อยหมูกลางคืนเลยวงั้นสุดแท้แต่มันจะไปที่ไหนนี่แหละแต่แกก็เลยยุดในการเลี้ยงหมูฆ่าวางั้นแต่ขายหมูเนี่ยจากแต่นั้นมากับเรื่องราวเป็นยังไงหลวงพ่อกัไเบสซาเพราะเขาเขียนไว้เพียงแค่เป็นหนังสือเป็นเล่มเลย เป็นเลือดเป็นเล่มนี่โกเดียนตายแล้วตายแล้วฟื้นเหมือนกันเถะสรุปแล้วก็คือใครทําบุญอันไหนไว้คนนั้นจะได้รับผลของของบุญกุศลที่ทําเอาไว้ทาไม่ได้ทําไว้มันก็ไม่ได้รับหลวงพ่อก็มาพิจารณาดูวัดหลวงพ่อนวัดหลวงพ่อเป็นสวรรค์ไกลๆเหมือนกันนะทําไมวะถ้าสมมุติเราพวกเร า, เราทุกคนใส่แต่ข้าวเหนียวพวกเรามากินก็ได้กินแต่ข้าวเหนียวใช่ไหม ถ้าพวกเรามาใส่ข้าเจ้ามาพวกเราก็ได้กินแต่ข้าวเจ้าใช่ไหมถ้าพวกเราใส่อาหารเข้ามาถวายพระพวกเราลงไปก็ได้กินอาหารอย่แต่ลงุงลุงปู่จึ่งทองอยู่บ้านห้วยทรายพอเสร็จแล้วลุงปู่จึงทองเสร็จแล้วก็ตั้งจะจันทฉลาจันเดียวนี่โยมก็ไม่มากพอจันท์เสร็จแล้วท่านก็เอาพากันกินคนหนึ่งก็บ่นขึ้นมาเฮ้ยไม่มีเจียวไม่มีพริกเหมืองนั่นมีแต่ผักไม่มีพริกกันจะไปกินจะได้ยังไง่เลย กินผักกับข้าเหนียวได้ยังไงพราไม่มีแจวใช่ไหมไม่มีน้ำพริกหลวงปู่เสิ้ยงทองก็บอกเลยถ้าเราไม่ทำบุญมาาไม่ถาวายมาเราจะไปกินน้ำพริกได้อย่างไงเพราะมันไม่มีเออถ้าพวกเราถาวายพริกมาพวกเราก็จะได้ อ, อทานทานน้ำพริกกับผักอันนี้พวกเราไม่ได้ทานมาไม่ได้ทำบุญมาเยจะไปกินน้ำพริกได้ยังไงพวกเรา ถวายอันไหนมันก็ได้กินอันนั้นแล้วนะที่วัดของเรา น, ะนี่แหละมาพิจนารณาดูแล้ววัดเนี่ยเป็นสวรรค์ไกลๆเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้ว่านะพวกเราคิดด้วยิคิดอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าวะพวกเราอ ะ, ะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร